ธรรมชาดกแผ่นที่หาลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่สมกราคม2553มมีชื่อเรื่องว่าความปรารถนาของสุเมธธดาบทคิดแนวแถวของ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 ก็คือได้มากมาโดยเป็นธรรมได้มากด้วยความสามารถด้วยสติปัญญาของเราด้วยบุญบา ร, รมีของเราเกื้อกูลหนุนอันนั้นท่านก็ส่งเสริมแต่คิดในอีกมุมหนึ่งก็ว่าให้อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงแต่ถ้าว่าตัวเองทำไปแล้วมันไม่เจริญงอกเงย เราก็อยู่แบบส ม, มถะไม่ใช่ว่ากระเสือกกระสนจนเป็นทุกข์เป็นร้อนจนตัวเองจะเป็นบ้าเป็นบ อ, บอกับการหาทรัพย์สมบัติอย่างนั้นก็ไม่ถูกและอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าเป็นผู้มักน้อยอภิชาตาอย่างพระที่ท่านสอนอภิชาตาเป็นผู้ให้เป็นผู้มักน้อยสันโดษถึงจะมีมาก ก็ อ, อย่าไปโลภโลเลจนเกินไปพ อ, อยังชีพให้เป็นไปเปน็นวันวันอันนี้คือท่านสอนแบบสอนพระเพราะนั้นทำคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าจะว่าไปและท่านสอนเป็นหลายระดับเราจะเอาระดับสูงมาใส่ระดับต่ำระดับมักน้อยสันโดดก็ไม่ได้เราจะเอาระดับมักน้อยสันโดดไปใส่ขึ้นไปใส่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 ว่าเราจะกระโดดได้ไกลขนาดไหนแต่เราก็พยายามมีแต่เห็นเขากระโดดไกลตัวเองจะกะับเหมือนจะกระโดดอย่างช้างกระโดดอย่างนั้นน่ะข้างช้างมันขา ย, ยาวมันกระโดดหรือเสือมันกระโดดได้ไกลกว่าเราแะ่เราจะกระโดดเหมือนกับสั่งขับเขาก็ไม่ได้เห็นเพราะเห็ุอะไรเพราะเราต้องรู้เราอันนี้ลักษณะของพระพุทธเจ้านะรรู้จักประมาณตนนะ ถ้าใครก็ตามถ้ารู้จักประมาณตนจะไม่ทุกข์ถ้าไม่รู้จักประมาณตนทุกข์นะเอออย่างคนโบราณเขาไหวเห็นช้างขี่ขี่ตามช้างอ่ะคล้ายๆว่าไม่รู้จักประมาณตนนะอันนี้ก็คือการสสแสวงหาทรัพย์ภายนอกแต่ส่วนทรัพย์ภายในนั้นการสั่งสมบัลมีพระพุทธเจ้าท่านสั่งสมมา เป็นทอ ด, ทอดมาเหมือนกันการสั่งสมบารมีของพระพุทธเจ้านะเมื่อท่านได้เกิดได้พบได้เห็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ท่านได้พบได้เจอท่านก็ใฝสูงไว้ขอให้ข้าพเจ้าทำบุญมากน้อยอย่างไรแค่ไหนก็ตามก็ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตด้วยเอนิน ให้ข้าวันึกในใจเพรางั้นแต่ไม่กล้าพูดให้ใครฟังอายคนเพางั้นว่าข้าพระเจ้ามักใหญ่ไฟสูงอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเพราะว่าเป็นท่านเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่ะอันี่ก็คือความไฝ่ในใจต่อมาสะสมบารมีมาเรื่อยๆเกิดพบต่อไปอีกคิดในใจเข้มข้นขึ้นต่อมาคิดค่อขึ้มข้นขึ้น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 มาแล้วมีแก่กล้าขึ้นจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนนะท่านเองจึงได้ได้รับทานายท่านทนายจากพระพุทธเจ้าท่านพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าที่พวกเราเกิดแก่เจ็บตายเนี่มากมายนะพ ร, ระพุทธเจ้าตัดเป็นระยะระยะระยะระยะแต่นี้เราเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าที่พยากรของเราองค์ ที่ว่าเราปรารถนามาเนี่ยท่านก็นจะพัฒนาคนนะจ๊นี่อย่างพระพุทธเจ้าของเราทียอย่างพระพุทธเจ้าของเราสมัยนั้นท่านเป็นสรงเมธาดาบทอยู่นในป่าดังนั้นพระพุทธเจ้าที่ปังกรพุทธเจ้าท่านก็พาภิกษุสงฆ์มาโปรดเมืองเออมืองพาราณสีหรือเมืองอะไรนี่แหละ ท่านก็มาดูในอระหว่างที่ลุ่มกับที่ดอนในเมืองกัที่ที่สูงเหมืนอนกัที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งก็เป็นที่สูงที่เนินแต่ในระหว่างกลางมันเป็นทางมันเป็นทา ง, เ ป, ทางเป็นที่ลุ่มมันมีน้ําเหมือนกันประชาชนเขาบอกอุ้งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ทางนู้นท่านจะเดินบินธบาตมันก็อ้อมเกินไป ทางโค้งเกินไปเอาทางลัดนี่แหละพวกเราจะต้องทำทางลัดให้เดินเข้ามาให้พระพุทธเจ้าจะด็จเข้ามาบินธบาต ท, ทางลัดเนี่ยประชาชนเขาก็ระดมคนเป็นร้อยเป็นพันแบงนั้นเถอะที่จะระดมได้ผู้มีศรัทธานะทางจอบทางเสียมทางอะไรใครมีอะไรก็นขนไปก็ไปทำงานแบบงั้นตอนเช้าก่อนบินธบาตเพ่อคุด ตินทาถนนขึ้นไปทนิสุเมธะดาบทยอยู่ในป่าท่านมีฤทธิ์ท่านเหาะมาเหาะมาทางอากาศมาเห็นพวกชาวบ้านก็โอ้โหทางานแบบไม่ได้คุยกันเลยว่าง้ยเะทำงานอย่างสุดอุดตลดว่างั้นเถอะ เ, เดอดาบทนี่ก็เลยลงมาเหอะลงมามาก็มาถามอภพท่านทําอะไรเนี่ย พวกนี้เขาก็เลยบอกอ้าวพระพุทธเจ้าทีปังกรท่านอยู่ฝั่งนู้นกับพระสงฆ์สาวกเป็นหลายร้อยหลายพันเกิดจะเป็นหมื่นองอ่ะเนี่ยท่านจะบินธบบาทตรงข้ามเนี่ยพวกนั้นพวกเราจึงทำถนนให้ทันสังสุงเมธาดาบทังบอกอ้าวถ้าอย่างนั้นให้ให้ให้แบ่งให้ค่าทำได้ไหมได้ได้ได้เผืเขาเขาต้องการคนอยู่แล้ว เขาก็เห็นว่าสุมเมธาดาบทเป็นผู้มีฤทธิ์ใช่ไหมเหาะเหินเดินฟ้าได้เขาก็เลยอยากเอาไอ้ตรงที่มันแฉะนั่งนั่นแหละโทษมันตรงเมื่อที่มันเป็นน้ําน่ะอตรงที่มันเป็นน้นําให้สุมเมธาดาบททำบแบบนั้นทั้งที่สุมเมธาดาบทนั้นจะใช้อิทธิฤทธิ์จะใช้อิทธิฤทธิ์ทำท่านก็เปื้องหนังเสือออก เสื่องสายสะพายออกอได้กับนุ่งผ้าจงกระเบ น, นเหมือนกันเน็บกระเบนใจแล้วก็จอบขุดเลยมันเหมือนกับคนทั้งหลา ย, ยาท่านไม่ใช้่ลิศเหมือนกันแต่ท่านทําด้วยศรัทธา เ, เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าแต่นี้คนอื่นเขาก็เสร็จเพราะมันที่แห้งแต่ของสุเมธานมันที่แฉะมันทํำเท่าไหร่มันยังเปียกอยู่มันยังอีกหน่อยหนึ่ง พระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์เดินมาสเสด็จเสด็จมาพอมาที่นี่สุเมธาดาบทมันทางยังไม่เสร็จมันยังยังขาดอยู่หน่อยหนึ่งสุเมธาะ น, นอนนอนลงกับพื้นดินเลยนอนลงกับตรงนั้นน่ะให้เป็นสะพานเหมือนั้นะนอนให้เป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าตายหลังข้ามไปเลยพร้อมกับพระสงฆ์พระพุทธเจ้าสเสด็จมาถึงตรงที่สุเมธะนอน ่าดให้เป็นสะพานเนี่ยนะพระพุทธเจ้าทีปังกรท่านพยากรพยากรนะทนี่นี่นะดาบทคนเนี้ยสุมเมทะเนี่ยดาบดเนี่ยต่อไปในอนาคตจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่อพระโคตมะโคตมะโคตพระบิดาชื่ อ, อพระเจ้าจุดโทธนะพระมารดาชื่อสิริมหามายา สาวกขวาชื่อสาลีบุตรสาวกชซ้ายพระโมกกลาอุปถากพระสงฆ์ที่อุปถากชื่อพระอ น, นุนอุปถากฝ่ายครวัตผู้ชายอนานถามิตีิกเศรษฐีอุปถากฝ่ายอุบาสิกาฝ่ายหญิงนางวิสาขาพระพุทธเจ้าท่านทำนายไปหมดเลยอันนี้เราพยากรณ์ได้รับพยากรณ์ พระพุทธสุเมธาดาบทได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีปังกรจากนั้น พ, พระพุทธองค์ก็คงจะเดินผ่านอะไรทั้งเขาก็ไม่พูดต่อในพระไตรปิฎกเพียงแต่ว่าพยากรณสุเมธะตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพระพุทธเจ้าของเราในก็ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีปังกรณ์แล้วก็เกิดเกิดตาย สูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุมดอนดอนไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติเพราะงั้นเดะจึงได้มาตรัสตามที่พระพททุทธเจ้าทีปังกอรพยากรณ์เอาไว้เนี่ยนี่ว่าการเกิดมาวิญญาณของแต่ละวิญญาณเนี่ยตัววัดใจแต่ละใจเนี่ไม่มันมีที่มาที่ไปเหมือนกันนะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายทั้งว่าท่านผู้มีอิทธิฤทธิ์ระลึกชาติทนหลังได้เท่านก็จะบอกให้เลยว่าเออ ชาติที่แล้วเนี่ยเรามาจากที่ไหนมาที่นี่และบุญของเราบุญวาสนาบารมีของเราเนี่ยเราได้ทําอะไรไปในภพนั้นชาตินั้นหรือเราทําเรทํากรรมอันไหนไว้ในภพชาติที่แล้วเนี่เราจึงได้มาตกทุกข์แต่ยากหรือเกิดมาภพนี้ชาตินี้มีคนต้มตุน๋นหลอกลวงเราเอารัดเอาเปียบเราเพราะเคยเราเนี่ยเอารัดเอาเปรียบเขามาก่อนในอดีตชาติ พระรหันหรือพระพุทธเจ้าท่านจะรู้ได้เห็นเพราะเหตุใดเพราะท่านระลึกชาติทุนหลังได้ปเุเพนิวาสานุสติยานจุตูปปาตายานการจุติของจิ ต, จตวิญญาณของแต่ละท่านแต่ละคนมาจากไหนมาเกิดออกจากนี้ะจะไปไหนหพระพุทธเจ้าพระรหันสาวกท่านรู้เพราะท่านมีเครื่องมือมีญาณทัศนะสามารถที่จะพยากรณ์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 จะให้ผลสะดุดไปเรื่อยๆเพราะงัน้นหกลม้มกลมกลาบไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเราทํากรรมไม่ดีเอาไว้ใช้ใชใชใชว่าอักตังดุกตังเสงโยปัชชาตปฏิดุกตังกรรมชั่วอย่าทําเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมให้ผลหรือเผาผลาญตามสนองอเราเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นในหลักของพุทธศาธสนาท่านว่ กลัมคือการกระทำํำท่านเน้นหนักเป็นพิเศษหรือ เ, เน้นหนักไว้อย่างดีสําหรับหลักของพุทธศาสนาท่านว่าอย่าทำกลัมที่มันไม่ดีพยายามทําแต่กลัมดีพยายามสร้างแต่บุญกุศลทําสิ่งไหนก็ตามให้คิดดีทดําดีพูดดีคิดก็อย่าคิดเบียดเบียนตนและผู้อื่นเวลาทําก็อย่าทําเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่น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 เขาพูดมาให้เกี่ยเราเราก็เสียใจคำเช่นนั้นน่ะการการะทำเช่นนั้นล่ะการคิดเช่นนั้นล่ะไม่ควรทำจะว่าปิ ช, ชาจารณะจารณะสัมปันโนจารณะคือความประพฤติคิดดีทำดีพูดดีตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุ่มธมนาให้พอ